นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาตัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาตัมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆังนามาจามิกาเลนะ ธรรมมตวันนังเทตมมังระมุตตมันติขอเจริญพรและก็เจริญในธรรมแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสต่อไปก็จะฟังธรรมตามการตามเวลาที่ได้กำหนดกันไว้ การฟังธรรมเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับตัวเองแล้วคนอื่นอย่างไรก็ค่อยๆว่ากันไปตามหลักธรรมของพุทธศาสนาไม่มีอะไรธรรมะมันไม่มีอะไรมากมายที่เราจะไม่เข้าใจที่เราจะรู้ไม่ได้เราสามารถที่จะเข้าใจในธรรมะที่พุทธเจ้าบอกไว้สอนได้กันหมดทุกคน ไม่เลือกการเลือกเวลาเลือกสถานที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้หมดถ้าหากว่าสนใจจริงๆแต่้างว่าไม่สนใจจริงก็คงไม่ได้ก็ผ่านไปฮะมากับทาบุญเราสังเกตว่คนไทยเราในชอบทาบุญที่ไหนทาบุญจะมีมากมายเป็นได้ร้อยหลายร้อย การทำบุญเอาแต่เพราะการบุญอย่างเดียวกุศลไม่เอาเอาแต่บุญทำบุญแล้วก็สบายใจสบายใจแล้วก็พอแค่นั้นส่วนบุคคลต่างๆไม่ว่าที่ไหนในประเทศไทยจะเป็นเหนือออกใต้ตกนิยมกันนิยมการทำบุญเพราะว่าง่าย ง่ายกว่าที่จะทำบุญทอะไรกันแล้วแต่ว่าทำบุญนี้มันง่ายทำอะไรที่ไหนก็ได้ทำบุญแล้วจิิงเราจะต้องทำคืออะไรที่เราว่าบุญกุศลแต่นั้นทำบุญแล้วไม่มีกุศลจะ อ, อะไรรักษาบุญเอาแก้ความรู้สึกว่ากูได้ทำบุญแล้วพอใจ ชาวกรวดถวายปัจจัยครบาอาจารย์่ในวัดโน้นวัดนี้หรือได้หลายหมื่นหลายแสนหลายลาย้านอย่างที่บุญกระถิบที่ผ่านมาบางวัดาจจะเป็นในร้อยล้าน น, นี่แหละคือได้มีความสุขรู้แล้วภูมิใจนานาคือหลักที่เราเห็นกันทั่วประเทศแต่ทําบุญก็ออกหน้าออกตากาันรู้สึกว่ามีความสุขแต่ทําบุญแล้ว ส่วนมากนะกุศลไม่แค่ออาอย่างที่ว่าบุญกุศลมันของกู่กันเขาจะพูดติดปากก็ว่าทำบุญทาบุญกุศลทำบุญทำกุศลไปคำว่ากุศลนี่หมายถึงอะไรกุศลนี่หมายกับหมายถึงของตลาดนะกุศลที่นักปราชญ์บรรณิเตมว่าบุญกุศลทำบุญแล้วคนจะมีกุศลด้วย คนทำบุญนี่ทำเยอะแต่คนรับบาปไม่ค่อยมีทำบุญแล้วต้องลัาบาปถ้าไม่รับบาปบุญจะเข้าอยู่ได้ไหมมันก็น้ําเต็มแก้วไม่ได้น้ําเต็มแต่ไม่มีถ้าว่าเราจะเทอะไรเข้าไปมันก็เข้าไม่ได้เพราะมันเต็มแล้วแต่นั้นบุญกุศล น, นี่มันจ้องเข้าใจว่าทําบุญแล้วต้องมีกุศล นักปราชญ์บัณฑิตท่านบอกไว้มันคู่กันจริงๆทำบุญแล้วต้องรับบาปถ้าไม่รับบาปมันจะได้บุญไหมนี่คือเราต้องมีพิจน า, าเริ่มต้นจริงๆของคนเราทุกคนไม่มีใครรู้หรอกแต่อสัยผู้รู้ครูคนแรกก็คือคุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เขาจะสอนให้เรา รู้ว่าอะไรควรทำอย่างที่เราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเกิดมาแล้วเดินได้แล้วนะเกิดมาก็ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นครูสอนทันะ้งนอนทั้งนั่งนั่งไม่เป็นก็หัดให้นั่งยืนไม่เป็นก็หัดให้ยืน เดินไม่เป็นก็หัดให้เป็นพูดไม่เป็นก็หัดให้พูดทำไม่เป็นก็หัดให้ทำครูคนนี้สำคัญมากแต่เราไม่เคยรู้ว่าคุณค่าของครูที่สอนเราไม่รู้มันผ่านมาแล้วไม่รู้เรื่องนะจริงๆถ้าเราไม่ได้มันจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบชีวิตของคนเราทุกคนนี่นะอย่างที่ว่าย เราเกิดมาจากไหนเราไม่รู้เราอยู่จะเอาอะไรก็ไม่รู้ตายไปไปไหนก็ไม่รู้อีกไม่รู้สักอย่างเลยใครรู้ก็ามีใครรู้สักอย่างเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ว่าจะเอาอะไรก็ยังไม่รู้ถามตัวเองที่ยาอะไรแล้วไปจะไปไหนก็ยังไม่รู้อีกจะไปสวรรค์นิพพานสวรรค์นิพพานอยู่ตรงไหนล่ะก็ยังมีใครรู้อีกแล้วจะไปยังไงล่ะ หาของตกของที่มันตกยังรู้ที่นิ้อที่มันตกยังพอหาเจอไอ้ของที่มันไม่รู้ที่ตกจะไปหาที่ไหนลองลองลองพิจารณาดูนะว่าการที่เราจะเอาอะไรสักอย่างมันต้องมีเป้าหมายแม้กับชีวิตเราทุกคนมันต้องมีเป้าหมายถ้าว่าไม่มีเป้าหมายของชีวิตจะทําอะไร ไม่รู้อะไรเป็นจุดหมายของชีวิตก็ไม่มีอย่างที่พวกเราทุกคนก็จะเอาจเจ้าอะไรลองถามตัวเองให้จเจออะไรเงินทองเข้าของทรัพสมบัติมันไม่ใช่ของแปลกทุกคนก็หาได้หามาแล้วก็แค่อยู่กินอยู่กินไปอย่างที่ว่ามาแล้วไม่ใช่อของที่จะเอาฉะนั้นมาเราก็ไม่รู้ไปเราก็ไม่รู้อยู่นี้ก็จะเอาอะไรก็ยังไม่รู้ นี่แหละท่านจึงสอนให้พวกเราทุกคนใะแต่ว่าถ้าเราก็เรียกว่ามีธรรมที่หมวดที่สองเนี่ยว่าฮิลิความร่ายแก่ใจโอตะปะความเกรงกลัวต่อบาปหรือขันติความอดทนในเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตต้องมีความอดทนส่วนลดจกักกีความสงบสงเสงียง่ยมถ้าเรามีธรรมะในหมวดนี้มันก็ได้จะคิดว่าอ่า ถ้าเราจะคิดยังไงก็ลองวิแต่ถ้าถ้าพูดถึงถึงหลักตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาใ่นักทำตีโตเอกเขาจะมีการยกข้อความขึ้นมาว่าแต่งกระทู้แต่งกระทูรร้ืมกระทู้พุทธธรรมวินัยอะไรกระทู้ธรรมพุทธวินัยอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทําแล้วแต่งได้จะให้แต่งเรื่องอะไรก็ได้หมดดังนั้นเราเราจะพยายามว่า เราเกิดเป็นคนหมาโดยสมบูรณ์แบบโดยที่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูคนแรกที่จะสอนพวกเราสอนพวกเราทำอะไรชีวิตของคนเราต้องมีการทำมาหาจินใช่ไหมถ้าอยู่ตามชนบทพ่อแม่เขามีความรู้ด้านไหนเขาก็สอนด้านนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนคนใน ชนบทกับคนในกรุงถ้าพูดถึงโดยกฎของธรรมชาติแล้วเนี่ยคนในกรุงถ้าไม่มีคนชนบทส่งเข้ามาอาหารเข้ามาคนในกรุงไม่มีอะไรกินจะเป็นข้าวก็มาจากคนชนบทในกรุงใครทํานาบ้างจะมีข้าวกินนี่ทำไมถําให้มีข้าวหรืออาหารกันกินตั้งแต่ผักจ้าปูปลา ตรงนี้เป็นต้นก็มาจากชนบทจริงเหล่านี้มองเพลินเพินไม่มีอะไรแต่มองลึกๆมันมีค่าจากทีต่ตอนที่สงครามเวียดนามกับลาวตอนนั้นเวียดนามไปยึดลาวก็ไม่แต่ว่ายึดก็ไมใ่ใช่แต่ว่าไม่ยึดก็ไม่ใช่เวียดนามก็ไปครอบครสถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมด อาหารกันกินก็ไม่มีข้าวไม่มีจต่กินน้ำปลาก็ยังมีน้ำปลาเลยกินข้าวโอ้ข้าวกระลาบากมากแต่บาท100นี้่อร้อยคนเท่าหัวแม่เมือเนี่ก็ยังหัวแม่เมืออยิงใหญ่กว่าอีกดิดลงบาทเทีนิดทียนิดเทียนิดโอ้น่าเห็นใจเมือนใส่แต่กล้ามาเตะหมดกินเงินไม่ได้นะเห็นไหมมันมีค่าอยู่ที่ผักน้ําปูกปลาหรือว่าอาหาร เพียบผลผลไม้ก็ดีผักก็ดีแตงกว่าพริกเขือก็ดีอย่างนั้นมีค่ากว่ามันจะเป็นเได้เกินต้องมีพวกนี้ถ้าไม่มีอาหารการกินอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ตายหมดคนเมืองหลวงถ้าไม่มีแคนบ้านนอกส่งเข้ามาไม่มีอะไรกินเราเห็นมีคนในเมืองหลวงทํานาแต่เนี้ยทีคนบ่านอกเขาส่งเข้ามาแเพราะเห็นอะไรก็เพราะว่า การปกครองมันอยู่ที่แบบอยู่ที่เมืองเล็กเมืองหลูกแต่ต่างต่างคนต่างทํามาหายจินแหละคนในกรุงจะเดือดร้อนกว่าเพราะไม่มีที่ทํามาหายจินเดีวสังเกตไหมว่าเราได้กินข้าวทุกวันนี้เรามากินอยู่ที่ไหนอืเราได้กินอาหารการกินฝักปูปลาผลไม้ทุกอย่างนี้มาจากชนบท ท่าถ้าเกิดมันเดือดร้อนปุ๊บอย่างสงครามจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดขึ้นสงครามโลกตรั้งที่สามอย่างที่สองปีสามปีผ่านมาที่เขารอโรคโควิดไม่ไปไหนมาไหนไข่เดือดร้อนตามชนบทไม่เดือดร้อนเลยตอนนี้ยก็ไม่ด้อนเขามีนาแล้วเขามีสวนปลูกพี๊ปูก้าวตามคันนั่น จะหรือตามนาตามหนองของเขาไปจ่าน้ำํำถ้าอาหารก็ลงไปทุ่งนาเดี๋ยวหอยหเก็บปูเก็บปลาจากจะมากอบเครื่องประกอบอาหารก็อยู่ในตรงนั้นหมดแต่คนในกรุงไปหาที่ไหนละ่ะถ้าหาว่าคนบ้านนอกไปส่งเข้ามาที่มุมตลาดดอนเมืองไม่มีตลาดสี่มุมเมืองไม่มีตลาดไหนไม่มีไม่ไมีตลาดเลยเนะี่ยแล้วคนกรุงจะกินที่ไหนที่ว่า ที่ว่าเลิอประเสริฐนะถ้าว่าต่างคนต่างทําต่างคนต่างหายกินอนะ่ะคนในกรุงจะเดือดร้อนมากเพราะตำชวนนบทเท่าว่าภาษีทุกอย่างแ้วเกิดอยู่ในจังหวัดนี้ก็ใช้เพื่อจังหวัดนี้มาจอดเข้ามาในกรุงเก้าของเงินทองทุกอย่างของใครของมานะ่ะคนกรุงจะทําอะไรคนกรุงส่วนมากทั้งหมดก็ามาจากต่างจังหวัด คนกุงจริงๆมีไหมทําอะไรกินทำจากเงินเนี่ยทําจากงานเนี่ยอันนี้แหละคือจะบอกว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้โดยหลักการปกครองของโลกเขาประเทศหนึ่งเขาเรียกประเทศสมมติว่าี้ประเทศกู้อย่างเมื่มก่อนนะ่ยปีหนังก็เป็นของคนไทยหรือว่ า, าส่วนหมากทางของลอห่าทนะไปทำํำไว้จำนวน ปูกหมากันเต็มทุเรียนกันแต่ะแยะอดดเของปีนังนั้นจริงๆแล้วก็เป็นแค่ของคนไทยเมื่อเขามีอำนาจเขาก็มายึดตัดโนตัด น, น, ดนี้ตัดนี้ตัดโ น, น, นเข้าไปอย่างอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ล้าอย่างจะมาฉะนั้นโลกใบนี้วุตถุย่ำโลกอนิจจังโลกทุกขังโลกอนัตตาตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะท่านสอนอะไร อย่างฝรั่งเขามาเมืองไทยพราฝรั่งนะตามที่เด็กคุยเคยได้สมัมผัสในหลายรูปหลายองค์นวมาก็จะมาเรียนหนังสือกอไก่ขอไข่หรือนักทำทีเทวเอกฝรั่งเข้าไม่ได้สนใจหรอกที่มาวัดมากับมาวัดบวรวัดมหาธาตุมาแล้วก็จะมนนาลักษณะแบบนไม่เอา เราจะเอาสิ่งที่เราเขาไม่ไม่ไ ม, ไม่เขาไม่ต้องการก็จะให้เขาเพราะเขาไม่มีประโยชน์เขาจะหาสิ่งที่เขาต้องการนี่แหละคือจะทําอย่างไรชีวิตของเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครกันแล้วแต่ในโลกใบนี้ไม่มีใครที่ไม่กินนะทุกคนต้องกินอย่างทุกคนนั่งอยู่เนี้ยใครบ้างที่ไม่ดื่มนมจากอกแม่นะสัตว์ประเภทเนี้ย ใครบอกใครสอนไม่มีใครบอกใครสอนเน่ะมันเป็นของมันเองนั่นคือสัจธรรมพอข้อจอกท้อแม่ปุ๊บไม่มีใครหัวเราะนี่จะคนร้ อ, องไห้เพราะเหตุอะไรอะสิ่งที่เราได้ท่านทั้งหลายศึกษาข้อมูลในด้านของพุทธศาสนากันเยอะแยะมากมายบางทจีจุดไหนที่เราจะเอาก็ยังไม่รู้จะเอาอะไร จะเอาบุญบุญคืออะไรอ่ะเราขอให้คนนี้ถวายพระได้บุญนี่คือคำพูดของเราถวายคนอื่นไม่ได้บุญเรยที่เขาบอกว่าพระอรหันต์อยู่ในบ้านสององค์ถวายพระอรหันต์ในบ้านได้บุญไหมล่ะพระอรหันต์คือเขาเปรียบเทียบไม่ใช่พระอรหันต์นะคุณพ่อคนแม่เนี่ยเป็นเหมือนกับพระอรหันต์อย่างได้เราเขาหาให้อย่างได้อะไรเขาก็หาให้ เรามีชีวิตยอยู่ได้เพราะไข่กับเพราะพ่ อ, พอกับแม่พ่าตื่นมาจากไหนก็นไม่ทราบโผล่มาปุ๊บเราหิวแล้วกินแล้วดื่มนมจากปกแม่คนไทยเขาจึงนิยมบวชแทนค่าน้ํานมเห็นไหมเขาสอนกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่ทราบเราเกิดมาเราก็ได้ยินแล้วก็เห็นแล้วทำไมต้องบวช ด, ด้วยล่ะประเทศอื่นเขาไม่บวชเขาได้บุญไหมเขาจเจริญไหม เขาฉลาดไหมเขาก็มีเหมือนกับเราเนี่ยดันั้นท่านทั้งหลายลองลองคิดให้ดีคิดดีว่าเกิดมาเพื่อจะเอาบุญเอากุศลบุญกุศลมันคืออะไรเนี่ยนั้นในหลักของพุทธศาสตรถนาท่านสอนให้รู้จักรู้จักหน้าที่ที่เราจะต้องทําังนั้นตื่นขึ้นมาพบกันแน่นอนล่ะไม่ว่าเขาว่าเราทั่วโลก ต้องนิ่นโลนเพื่อทํามาหาจินพอคลอดมาพบกันเนี่ยเรใครเป็นคนดูแลกับพ่อแม่ทําไมพ่อแม่ต้องรักลูกด้วยเพพ่อลูกพอกคลอดพบทำไมถึงจิตใจจึงมีผูกพันกับลูกอ่ะลูกคือหัวใจของพ่อแม่ใช่ไหมยอมตายเพื่อลูกได้เห็นไหมทําทุกอย่างเพื่อลูกคนนะั้นดังนั้นโบรางเขาเรียกว่า ชีวิตที่เราเกิดมาปุ๊บนี่แหละสิ่งที่เราอยาต้องนึกก็แล้วบูพักกะเรีกตันยูกะตาเวทีเนี่ยคื อ, ค, อคือต้องนึกถึงตัวนี้ว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกใบนี้สัตว์ประเภทนี้ต้องเกิดมาจากท้องบิดามารดาแต่ถ้ามีแต่มารดาคนเดียวก็เกิดไม่ได้ยิ่งแต่ต้องมีบิดาด้วยบิดานี่รวมกันเข้าเนี่ยเป็นตัวเราขึ้นมาเห็นไหมธรรมชาติตัวเนี้ย สังขารอย่างเดียวไม่มีวิญญาณก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมคนนอนตายอยู่นั่นนะไม่มีวิญญาณมีแต่สังขารทำประโยชน์ได้ไหมทำประโยชน์ไม่ได้แต่ในนสังขารร่างกายก้อนนี้เกิดมาปุ๊บต้องมีกรรมเป็นแดงเกิดกรรมเป็นผู้นำมาแล้วนามาปุ๊บเกิดเป็นคนต้องอาศัยบิดามารดาบิดามารดา เป็นคนที่ต้องดูแลเลี้ยงประคับประคองไข่ลูกเล็กๆ เ, เคยห่างสายตาแม่พ่อไหมไมพ่อแม่ดูแลตลอดมันเป็นสิ่งที่แปลกนะโดยกฎของธรรมชาติขอโทษทีวัวควายช้างมาหมูหมาปูปลาเหมือนกันแต่ถ้ามันคลอดลูกก็อย่าไปใกล้มันใกล้มันถึงอันตรายได้ตายได้ฉะนั้นแหละท่านทั้งหลายเราเกิดมารวมโลกกันแล้วนี่นะ โลกใบนี้ไม่ใช่ของใครคดเดี๋ยวมันก็จะเป็นโลกของกูประเทศกูบ้านเมืองเมืองกูไม่ใช่ไม่ได้เป็นของใครสามคนเลยเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่มาอาศัยอยู่อาศัยอยู่ไม่เกินร้อยปีก็จากโลกไปโลกวันนี้ไม่มีอะไรเป็นของใครเลยอย่างพวกเรามาอาศัยนิดเดียวเหมื่อกัเ้เห็นจาปวกมหมจำบันตุนบทหรือภูเขานะี่ ภูเขาลูกหนมันจะมีสัตว์อาศัยอยู่กี่กี่ล้านล้านตัวเราไม่รู้เลยอย่างน้อยก็มีมดตัวแมลงปวกหรือนอกหนูปูปีกอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะในภูเขาลูกนั้นในโลกใบนี้ก็มีสัตว์อาศัยอยู่โลกใบที่เราอยู่นี้เขาเรียกว่าโลกกลมๆโลกนี้สัตว์อาศัยอยู่แล้วก็มาตายแล้วก็มากินแล้วก็มาตายสัตว์ก็มากินสัตว์อย่างพวกเราเนี่ใช่ไหม หครบ้างที่ไม่กินเนื้อสัตว์ตอที่หลวงปู่เคยถามกลัวผีไหมกลัวครับกลัวไปอยู่ปา่าช้าเราก็ไปอยู่ปา่าช้าฝึกเพราะหายกลัวพอพิจารณาได้ลุบ ก, ก็หายกลัวไปแต่ถ้ากลัวปา่าช้าไปอยู่ปา่าช้ากลัวผีปา่าช้าป่าช้าจะมีผีที่ไหนล่ะก็ไม่มีก็มีจะซากศพตายเผาถ้ากลัวผีก็อยู่ท้องเราเนี่ยเขาเรียกท้องเรอนี่เป็นป่าช้าของ จะเรากินจัดไปกี่ชนิดตั ว, ตวเหล่านี้วิญญาณในวิญ ญ, ญาณไก่วิญญาณกาวิญญาณอะไรต่ออะไรบัวคอยช้างหมาพุกบปุเยอะแยะเจ๊ะจะกลัวตรงนี้เยอะเลยผีดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พุทธเจ้าสอนเลยว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟอากาศวิญญาณธาตุรวมกันเข้าเป็นตัวเราเมื่อแยกออกธาตุดินธาตุน้ำธาตุาาลมธาตุไฟแล้วไม่มีตัวเรา หรือปัจจุบันนี้ตัวเรานั่งอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าผมนี่ก็เรียกว่าขนนี่ก็เรียกว่าตานี่ก็เรียกว่าหูนี่ก็เรียกว่าแขนว่าขาหรืออวัยวะส่วนต่างๆอะไรเป็นเราเมื่อแยกออกแล้วเรามีไหมนี่เขาเรียกว่าผมนี่ผมหัวเป็นเราแล้วผมเป็นเราเหรอเวลาอยู่หัวเราก็ใครจับไม่ได้แค่แตะมาได้โมหัวมีเรื่องมีเรากันขึ้นพอเราตัดออกจากหัวออกจากหัวปุ๊บ ใครจะเหยียบใครจะแย้มใครจะทำอะไรมีใครสนใจไหมนี่คือหลักที่เราจะต้องพิจารณากันพิจารณาอะไรพิจารณาธรรมะธรรมะมันอยู่ตรงไหนอ่ะธรรมะอยู่วัดเหรอโง่ธรรมะอยู่วัด่็โง่ธรรมะไปอยู่กับพาะมันก็โง่อยู่กัธรรมะมันอยู่ตรงไหนแหละไปอยู่ที่อยู่ในถ้ำในเหวไปป่ามันก็ไปหาไปที่ไปหาธรรมะที เอ่ามันไม่มีหรอกแบกโกดแบกบาหรือนู่ขาวห่มขาวไปอยู่ในท้ำเพื่อหาธรรมะหาจนตายก็ไม่มีหรือไปนอนอยู่ในวัดเพื่อจะได้ธรรมะเป็นไปได้เหรอไม่มีแต่คนนอนอยู่วัดหมาก็มีโทษทีแลนะ้มันจะได้อะไรธรรมะแต่นั้นเราต้องเข้าใจว่าพพุทธเจ้านั้นสอนอะไร พระพุทธเจ้าไม่ได้เอามาจากดินฟ้าอากาศท่าไหนพระุทธเจ้าเกิดมาไม่สองพันกว่าปีนี่เองโลกนี้มันกี่ล้านล้านล้านร้อยล้านปีแล้วพระุทธเจ้าเกิดมาก็ช่างไม่เกิดมาก็ช่างธรรมะมันมีอยู่แล้วแต่ใครที่จะมารู้ตามความเป็นจริงของธรร ม, มะแล้วเอาธรร ม, มะมาสอนไม่มีใครมีแต่หลงวุด มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีราคะมีโทสะมีทิฏฐิมีมานะใครบ้างไม่มีมันมีเองโดยอัตโนมัติมันแปลกัหมล่ะอย่างที่เราเกิดมาปุ๊บทำไมต้องดื่มนมแม่จึงรู้จักวะมันอยู่ตรงนั้นในกินอย่างนั้นทำไมแค่ดื่มนมไม่เฉยมีพลังขึ้นมาร้นทวนสบมบูรณ์ขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ย หัดนอนหัดนั่งหัดยืนหัดเดินหัดพูดไม่พอให้มีไปสถานที่ต่างๆเพื่อหาประสบะการณ์เพื่อมีความรู้ความฉลาดแล้วมาทำประกอบอาชีพผลสุดท้ายเรียนมาทั้งหมดจะจบปริญญาไหนก็นแล้วแต่แล้วก็มาทำงานทำงานมาแล้วก็เพื่อต้องการได้ทรับสมบัติมากินอยู่กิน หามาได้ทั้งหมดนี่ก็มาเพื่ออยู่และก็เพื่อกินไม่มีใครเอาเงินซื้อสวรรค์ไปนิพพานได้ไม่มีพุทธเจ้าม่ได้สอนมีมากขั้นไหนก็ใช้เพื่ออยู่กินหรือเพื่อความเป็นอยู่สะดวกสบายเด็กไปเด็กมาไหนก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบางคนมีกระตังวิ่งรอบโลกแล้วมันได้อะไรรอบโลกแล้วมันได้อะไรเมืองได้แค่ตาตาเป็นที่มาของอารมณ์ หูเป็นที่มาต่างๆตาได้เห็นหูได้ยินหรือจมูกสมัมผัสอวัยวะตาหูจมูกลิน้นกายใจสมัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาสุขเวทนาทุกขเวทนาเหมือนกับการฟังเพลงเพราะนที่เราชอบฟังเพลงฟังไปเราโอ้ยพอดีแล้วพอหูหรือพอใจหรือพ่อหูฟังแล้วมันก็พอใจไม่ใช่เพราะพอหูตาเห็นแล้วพอใจหรือย่างหรือพอหูหรือยังมันก็พอใจ จากนั้นแล้วทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ตาหูจมูกลิน้นกายใจมันมาตั้งแต่วันเกิดวันเกิดนี้เขาเอามาให้หมดแล้วเอา ว, วิเยวาทั้งหมดนี้มาจากวันนั้นและไม่ใช่วันเกิดอยู่เดียววันตายมาด้วยแต่วันตายยังไม่ได้บอกวันไหนนีเด็กท่านทั้งหลาย การเวลาที่พวกเราพวกท่านท่านหลายได้ยินใน้ฟังรรมาจากครูบาอาจารย์จะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะพูดแต่โดยหลักของความเป็นจริงแล้วพะพุทธเจ้าจะว่าได้จัดสรู้ตรงนี้คือความเป็นจริงเห็นจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคลายความยินดีกับสังขารร่างกายข้อ น, นี้ที่เต็มไปได้วยของปฏิกูลมีหนังกำพร้าหลวงปู่บุดดาท่านพูดให้ฝังจไหม ท่านยังมีชีวิตยอยู่ประเทศประจํา้อปูโบราหนังกับผพาผืนเดียวเนี่ยคนมันหลงหนังถ้าหนังอยู่ในโลกมันก็มีสีขาวมันก็ขาวถ้าหนังตากแดด ม, มันก็มีสีดําอะไรก็แล้วแต่ถ้าหลงถ้ามันมีโลกผิวหนังเกิดมาโลกกากโลคเกลืก่อนโลกกุดถังหรือโลกผุพังไปทั้งตัวเนี่ยมีใครชอบบ้างอ่ะกระหนังเหมือนกันนะเนี นังที่มันน่ามันเปลื่อยมันเหม็นนี่ใครชอบบ้างไม่มีใครชอบตัวเองบางครั้งก็ยังเบื่อตัวเองเลยสังเกตไหมเสื้อผ้าอภรรที่เราซื้อมาหรือทำมาสิ่สวยมาใส่เข้าไปสองวันสามวันห้าวันหรือที่นั่งที่นอนที่นั่งก็มีใหม่เอียนมามานั่งสี่ห้าวันปีสองปีถึกเพื่อมันถูกสังขารร่างกายเรานั่งทุกวันทับทุกวันจับทุกวันนั่งทัวเป็นของปฏิกูลไปนี่แหละ สังขารร่างกายก็นี้เป็นของปฏิกูลพรพุทธเจ้าบอกว่าเป็นของปฏิกูลไม่มีอะไรที่สวยงามไม่มีอะไรน่าพึงปรานาออกมาทางทวันหนักทวันมาออกมาทางปา่าทางเจมวกทางอะไรกับวัยวะต่างๆออกมาแล้วไม่มีใครที่พึงปรานาเป็นของปฏิกูลทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นของเหลวันเคยพิจารณาบ้างไหมหรือส่องกระจกวันหนึ่งหลายเที่ยว กูยังไม่แก่เลยอายุห้าสิบหกเจียวเกษแล้วกูก็ยังไม่แก่อีกกวนกรรมกูเรานึกให้ดีนะอันนี้คือพุทธเจ้า พ, พูดไวน้นะไม่ใช่อาตมามาพูดสังขารเป็นทุกข์นะแล้วว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แ ล, กกยและทุกข์ก็ดับไปท่านไม่ได้วว่ามีอะไรเป็นเราไม่มี ตาเป็นเราหูเป็นเราจมูกเป็นเรามือเท้าเป็นเราไม่มีไม่ได้พูดเพราะว่าทั้งหมดนี้มันเป็นทุกมีตากระทุกเพราะตามีหูกระทุกเพราะหูมีาปากกระทุกเพราะปากมีจมูกก็เพราะจมูกมีมือมีเท้ากระทุกเพราะมีมือมีเท้าโยมนี่คือหลักที่เราจะต้องมาพิจารณาพระพุทธเจ้าว่า พรุทธเจ้าจะเกิดมาก็ช่างไม่เกิดมาก็ช่างธรรมะมีอยู่แล้วทังนั้นไหนจะไปหาธรรมะตรงไหนโยมหาในป่าในเขาใ น, าใน้ำในเหวเชิญเลยไปหาเลยแ่รรมายที่หลวงปู่บัอาจารย์หลวงปู่เขาหลวงปู่ั่นหลวงปูแ่แนหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ีหลวงปู่ชมาหลวงปูช่ชตาบัวบนี่มีชีวิตอยู่รร ม, รรมยก่อนยศทวดรถทัวรถ ว, ว, วัดไปวัดนนวัดนี่ไปหาปบอาจารย์ คนนั้นก็เป็นกูบายอาจารย์กูคนนี้เป็นกูบายอาจารย์กูไม่จบกูบายอาจารย์เยอะไปหมดแต่ไม่ได้ทาตามกูบายอาจารย์สักองแล้วมันได้ประโยชน์มาธรรมพุจะศากนาธรรมะไม่ใช่เป็นทำรรมาที่มาอ้อนวอนบ่นบานหรือเสกเป่าเสดอรูดวงไม่ใช่ธรรมะคือของจริงถ้าคนเห็นของจริงคนนั้นจะเห็นธรรมะ โยธรรมมังปสัสสิโสมังปสัสสิผู้ใดเห็นธรรมผูนั้นจะว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นจะว่าเห็นธรรมและธรรมมันเป็นยังไงล่ะการศึกษาธรรมะจริงๆไม่ต้องเป็นศึกษาที่อื่นเลยแต่ด้วยหลักการแล้วก็ต้องรับคําสอนจากครูบาอาจารย์หรือคุณพ่อคุณแม่ก่อน เราถึงจะพูดได้เดินได้กินได้ทำได้ทำทุกอย่างทุกอย่างได้เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอนต่อมาก็เป็นครูบาอาจารย์นี่แหละครูบาอาจารย์นักบวชก็เหมือนกันบวชบางเด้กก็ต้องมีครูมีอาจารย์เป็นคนบอกกล่าวและขัสังสอนจ่านพุทธเจ้ามอบให้ทำก็ดีวิัยก็ดีนี่เป็นตัวแทนของต ถ, ถาคต ถ้าใครยังเชื่อยังคารบในยถาคตทำตามทำให้ในนี้มักผลไม่ผลสมัยคนเราทุกคนไม่ว่าใครกันแล้วแต่ในโลกแบนี้ไม่ได้มีอะไรแปลกกันเพศหญิงก็คือเพศแม่เพศชายก็คือเพศพ่อไม่ได้พิเศษพิสศษอะไรสังขารร่างกายก็นี้ดูเราคนเดียวเข้าใจหมดทุกคน ทำไมต้องไปอย่างนั้นล่ะก็สังขารเหมือนกันเนี่ยมีอะไรเราเรามีอะไรเขาก็มีอย่างนั้นนี่คือสภาวะที่เราต้องดูต้องเข้าใจนะฉะนั้นเรามาทํำมันมีอยู่ว่ากายกับจิตกายคือสภาวะที่เราเห็นด้วยสายตานเรียกว่ากายจิตคือนมามธรรมอยู่ในภายในคือในใจ เราจะรู้ว่าจิตเรามีราคาจิตเรามีโทสะจิตเรามีโมหะจิตเรามีบุญจิตเรามีกุศลจิตเรามีอกุศลหรือจิตเรามีเวรมีกรมอะไรเคาจะรู้จ่ไหนก็ดูที่จิตหลวงปูชาว่าต้องเฝ้าดูจิตนักปฏิบัติต้องดูจิตฉะนั้นเขาแล้วคนมาจะดูจิตก็ต้องคนมีสติคนมีสติเนี่ยทําอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดหรอก แต่ค้นขาดสติส่วนมางจะผิดพลาดหลวปู่ชายว่าให้ดูจิตตัวเองนั่งดูจิตยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีไปอยู่ท่ามขามก็หลวงปู่ฟั้นถ้าจิต ด, ดีแล้วทุกอย่างดีหมดพยายามทําจิตให้ดีถ้าคิดไม่ดีอยากจิตเลิกคิด ไปคิดเรื่องอื่นเท่นกําลังโมโหให้คนใดคนหนึ่งอยู่หยุดไปคิดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ทางกศนถ้าจิตไม่ดีมันก็ไม่ดีหลงปู่ชากลว่าเคยเห็นคนบ้าไหยอยู่ข้างบ้านนะอยู่ข้างบ้านบ้าคนบ้ามันทำงานมันก็ทําของมันไปเรื่อยๆไปอ่าอีกคนหนึ่งคนใบ้คนเหมือนกันหน้าตาก็เหมือนกันหน้าตารูปร้างสวยสุดเลยที เป็นไปเพื่อไม่ได้อ่าไอ้เด้เออเอองะอไปไอ้คนไปล้อเลียนมันล้อเลียนมันทุกวันทุกวันนะแล้เลีย ม, มันก็มันร้องไห้ร้องไห้มันเจียใจมันมันจะพูดก็พูดไม่ได้พูดก็พูดไม่รู้เือพูดตัวในปากตัวเองคนเดียวไมรู้คนเดียวจะค น, นก่อ น, นแก้งมันทุกวันทุกวันอยู่มาไม่กี่ปีตาย เขาไม่ใช่ไม่ใช่คือวิมื่อกี้ก็แต่งงานพอแต่งงานปุ๊บมีลูกไมีลูกเกิดมาเป็นใบ้กันตีคือคือเรื่องที่ปัจจุบันทำนะคนบ้าก็เหมือนกันถ้าคนบ้าปุป๊บมันไม่มีเลยจิตใจหมดสภาพแล้วแต่ร่างกายมันดีทุกส่วนเหมือนคนทั่วไปนี่แหล ก, กจิตตัวนี้แหละธนว่ารักษาจิตถ้าไม่รักษาจิตแล้วโหวพูดอะไรทำอะไรโอ้ไม่รู้ตัว สำคัญตัวเองผิดว่าตัวเองต้องเก่งกระบุโลดประเสริฐก่าใครทั้งปวงอย่าคิดว่าตัวเองเก่งคนเก่งกว่าเราก็มีอย่คิดว่าตัวเองสวยเราสวยแล้วส่องกระจกเราก็สวยห้องเราอันนั้นแหละคนอื่นก็สวยกวับเราก็มีดันันเรื่องของสังขารร่างกายป้อนนี้พุทธิยะว่าเต็มไปด้วยของปฏิกูลไม่มีอะไรสวย มีฟันก็ถ้าถูไม่แปลงฟันอะในถ้าฟันเป็นแมงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเหม็นคุ้มไปหหางกันเป็นยิ่นเหม็นทดกท์ใครบ้างที่ว่าฟันสวยนะีนค่คือคือทัดสอนไว้นะไม่ใช่อาจามามาพูดเองท่านสอนไว้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีอะไรสวยงามไหมดัะนั้นสังขารร่างกายก้อ น, นี้มันไม่ได้แปกกันคุณจะแต่งเนื้อประดับตัว เอาทองหุ่มทั้งตัวมามันก็แค่ภายนอกสำหรับชิ่งประดับภายนอกเสื้อผ้าอภอนั้นมันไม่ได้สวยที่เราเหรอกเราก็แค่นั้นแหละแต่ถ้าคนทุกคนไม่ได้แปลกกับเราเลยดูคนเดียวเข้าใจหมดทุกคนในโลก แต่เรามีฝันเน่เห mm ็นในฝันเขาฝันเราไม่แปกกันแต่เรามีหนังกั็หนังใครหนังเราไม่แปกกันแต่เรามีความโลภมาความโลภเขาความโลภเราก็ไม่ได้แปลกมีราคาไม่โทสะมามีทิฏฐิมีมานามามันแปกกันตรงไหนล่ะมันแปกกันตรงที่ว่าเราจะห้ามมันได้ไหมในเวลากดขึ้นมาไม่ด่าคนนี้ได้ไหมอัตมาประเทศกรุงเทพบ่อยแต่เทศนาการกรุงเทพผลมากกว่านี้อีกสองเท่าเนาะ โยมถามว่าโยมตำราด่าเขามีขายไหมไม่มีเจ้าค่ะแล้วโยมด่าได้ไหมทุกคนนั่งอยู่นี่ใครบ้างด่าไม่ได้มีไหมไม่มีหรอกทุกคนนี่ด่าถนัดฉนั้นแหละคำด่านี้อามาจากไหนตำรามีขายไหม ไม่มีทําไมมันด่าได้ละ่ะด่าเปโตรโบไม่ซ้าคำเลยเห็นไหมเวลามันพอใจไม่พอใจมานี่ดูที่ดูจิตตัวเนี้ยหลวงปู่ท่านให้ดูจิตเวลาโกรธคนเนี้ยดูจิตตัวเองเถเขียนเป็นยังไงให้ไม่โกรธท่องวันได้ไห ม, มหัวรอดท่องวันได้ไหมร้องไห้ท่องวันได้ไหมไม่ได้มันชั่วขนาดจิตชั่วขนาดจิตคารว่าอารมณ์ อารมณ์นี้ทำให้เราต้องเสียขนเยอะแยะมากมายเพราะเราไม่รู้จักหักห้ามอารมณ์เมื่อโทสะมาปุ๊บไปเลยไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไม่รู้จากการละเทสะไม่รู้จากการเวลาบุคคลที่ควรไม่ควรอะไรก็ไม่รู้ก็เลยสร้างปัญหาพราะสร้างหาเพราะพอกดมคือคือคำพูดพูดออกไปแล้วคืนได้ไหมก็คืนไม่ได้ ทั้งท่านที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลสองกันเป็นบุคคลของเราที่เราเอาศัยอยู่ทุกวันเช่นพ่อเราแม่เราสามีเราพญญาเราเราเอาศัยกขาอยู่อยู่เราก็ยังเป็นด่าเขาว่าเขาไปตบตีเขาไปทไําลายเขาเหล่านี้เป็นต้นเขาเรียกว่าพวกอารมณ์ร้อนๆนี่เขาเรียกว่าโทสะจริบแล้วจะมีวิธีฝึกอย่างไรหลวงปู่ชาติจะให้ไปนั่งดูจิตดูที่ไปก็ดีเขาเรียกไปคือราคะไปคือโทสะไปคือหมกหาหรือ ทิฏฐิมานะอะไรเกิดขึ้นดูนั่งดูนี่แหละกายกับจิตมันคนละส่วนแต่ส่วนเดียวกันเหมือนน้ําสีเขียวสีเหลืองสีแดงมันคนละส่วนนะแต่มันส่วนเดียวกันลองทีถ้าใครแยกน้ําออกจากสีแยกสีออกจากน้ำก็จะเห็นว่าน้ําจริงๆแล้วมันใสใสเรีว่าพัดสอนหรือจิตของคนใ ห, หม่ๆก็ใสสะอาด พอมาเปิดเพื่อนเข้าไปทีนิดทีน้อยทนิดทีหน่อยทีนิดทีหน่อยไม่รู้ตัวมันก็เกิเสื้อผ้าอาภารที่เราเสื้อใหม่ใหม่เต็มเสนสีขาวเป็นต้นสาทุกส่วนไหนต้องเยียดตรงไหนดีหมดแต่พอใส่เข้าไปปุ๊บวันสองวันมันเริ่มมาแหละจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเริ่มเท่ามองแหละจิตของคนก็เหมือนกันหลวงปู่ท่านสอนให้เราเป็นนั่งดูจิตอยู่กับหลวงปู่ชายนะ หนังสือไม่ได้อ่านหนังสือสมัยก่อนคนค น, คนพ้นโรคคนนี้แล้วคนเหนือโรกอะไรตอนไรเยอะแยะมากมายหนังสือพิธิฐานสังสักจิตพ่อแม่ครูใบแจนครูใบแจนจ น, นี้หรือศีนโนนสีนนี้เป็นผู้สักจิตเป็นผู้วิเศษวิโสนี้มิดโนนี้มิต น, น, นี้ได้หมดโอ้ยเงนินทองจะเอาเท่าไหร่นั่นคือคําพูดจริงไม่จริงท่านไม่รู้ท่านไม่อ่านท่านได้อ่านหนังสือสองสามเล่มหนึ่งนวัตประว่าิสองปฏิโมกขสาม จิบสอนตำนานถรือเจ็ดตำนานสมัยโนู้นแค่นั้นให้นั่งดูจิตเฝ้าดูจิตตามจิตจะบอกว่าบคุคคลใดตามรักษาจิตของตนบุคคลนั้นจะพ้นจากบ่วงของมานนา่งปาตาจาราเคยไหก็ค้นเหมือนกันล่ะนี่แหละผีสามีสามีตายมีลูกลูกตายพ่อแม่ตายหมดโอ้เวีนกรรมอะไรวันเดียวนะั้นไปหมดใจเห็นไหมจิต รักษาไม่ได้ตามรักษาไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันไม่ไหวนทับถมมากจวเสียสติแต่เราพวกเราก็เรียกว่ากลายเป็นคนบ้าไปแลคนว่าไปที่เชตวันนางคนเห็นไลนวโอนางว่ามานางบ้ามากก็เอ า, า, าคนหินนู้ไล่บางไม่ให้เขาไปพระเจ้าเลยยิงก็ให้เข้ามาเตือนสติคอยมีสติกลับมา พอนานมีสติกับมาก็รู้ตัวรู้ตัวกนี่สติสติตัวนี้สาคัญมากถ้าคนมีสติทำอะไรมันก็สมบูรไปหมดแต่คนขาดสติสติพร้อมด้วยสัมปชัญญะถ้ามีสติดีสัมปชัญญะดีทำอะไรมันก็ได้ประโยชน์ไปหมดดีไปหมดทะนนั้นท่านทั้งหลาย หลวปูชาท่านให้น่าสมาจะมาก็นั่งนั่งนั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือจะกำหนดพุโทโธก็ได้ไม่กำหนดก็ได้เวตีวัดมีสติลมเข้ามีสติลมออกมีสติต้อ้ั้งเกตมาแค่เราโมโหมาน่าสมาีิดูสิไม่มีทางอะอืว ยิ่งคนใจร้อนร้อนยิ่งใครกระทบอารมณ์มันก็ไม่ได้ใครจะมาดูถูกกูว่ากูจะลำบากโอ้ยมือตัวกูของกูขึ้นมาทันทีเลยทุกข์กับทุกข์ขนาดเลยแต่ถ้าเรานั่งดูเฉยๆดูที่ขอโทษทีเที่ยงเครื่องบินเทียงปืนเสียงระเบิดเจียงจักรเครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยมันดังก้องขนาดไหนถ้าจิตเราไม่เป็นส่วนมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเสียงคนดา่าเสียงคนบน่นเสียงคนพูด แล้วก็ไปตามอามรมณ์เพอาะทวีติเขาว่าเราเป็นบ้าเราก็เป็นบ้าบ้าคืนเพราะว่าเราเป็นหมาก็เป็นหมาแล้วก็เป็นเห่าก็คืนแต่หลวงปู่ชาจะนอนให้นั่งดูกําหนดลมหายใจเข้าลมมันเข้าทางไหนเข้าทางจมูกเข้าทางจมูกมันก็ผ่านลงมาลําคอผ่านลงมาลำคอก็ผ่านออกมาหัวใจ ฝานออกมาหอยใจไหลมาต่างลำแทรกถึ ง, ถงสะดือพอถึงสะดือปุ๊บใจลมก็ตีกลับมาจากสะดือก็อมาถึงฝานหัวใจฝานลาคอออกทางจมกูกแค่นี้ยเราตามลมได้ไหมเราดูลมได้ไหมแต่ท่านไม่ให้วิ่งตามนะให้จิตจับเอาสติจับไว้ที่ฝลายจมุลมเข้าให้รู้ลมออกให้รู้ อันนี้คือท่านสอนอาตมาก็ทำตามท่านลองทำเราไม่เคยมีเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนในชีวิตก็ลองทำตามท่านดูว่าหนองว่าโพงนั่นแหละอาตมาบวชตั้งแต่พศ ส, สิบเ็ดปัจจุบันนี้ได้เจ็ดสิบเก้าปีอีกไม่กี่เดือนก็แปดสิบบวชมาจะเ ก, ก่าวไวสามเดือนบวชมาแล้วห้าสิบหกห้าสิบ เจ็ดพัรษาหรจะเข้า57สิบเ็ดแล้วยังไม่ได้สึกโยมถ้าเราขาดการภาวนาเราพิจารณาจะทำอะไรกันแล้วแต่อย่างที่ว่าสติตนนี้แหละจะทำให้คนทุกอย่างท่งเป็นคนคนงามสติแล้มันดึงได้สัมปชัญญะคนรู้ตัวนะมันเป็นสิ่งที่แปลกว่ามันทำอะไรมันดีหมดทุกอย่าง หรือทําที่แล้วคนที่มันอยมีความสวยงามคือขันติกวามอดทนส่วนละจะความสงบสงบเงียบมันก็อยู่ในเบื้องต้นของธรรมะต้นต้นตนี่แหละมันก็เป็นเป็นสิ่งที่แปลกมากคนที่มีความอมดทนมันสวยงามไปหมดนะจะเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีมันจะสวยมันจะงามก็มีธรรมสองข้อนิยมอยากสวยงามมีธรรมสองข้อนี่นะขันติกับอดเนขณะกับสว่บสวนละจะนิยมถ้าพวกอย่างนี้โยมก็ไม่เข้าใจอ่ะ แต่นั้นหลักจริงๆเรามีกฎระเบียบที่หลวงปู่ท่านสอมนมาเออต้องดูลมหายใจก็ออกพอดูลมหายใจก็ออกจากวันเป็นเดือนจากเดือนอาจะมาทําตอนเป็นคารวะเป็นพระขาวอยู่สองสามเดือนนั่งสมาธิไม่เป็นนั่งไม่มันมีถึงหวงไม่ได้คิดถึงบ้านไม่ได้คิดถึงแฟนไม่ได้คิดถึงเพื่อนไม่ได้คิดถึงกันเล่นสนุกเฮฮะแต่พอเราบวชเป็นพระปุ๊บโอ้เราเป็นพระแล้วพอเราเป็นพระแล้ว ฝึกสตินั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าไม่ต้องออกไปไหนจิตให้จิตอยู่ตรงนี้ตรงเดียวเชื่อไหมว่าประโยชนมันแปลกมหมแต่ตัวเองก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นพอนั่งปุ๊บจิตสงบมันลมหายใจเขาออกเงียบเหมือนกับไม่มีลมแต่มันมีลมเวทนาทั้งหลายไม่มี นั่งปวดคขาไม่ปวดเฉ้มีสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เหมือนกับไม่มีลมเข้าลมออกจะ ม, ม, ม, ม, ม, มีสติพอนั่งพบเป็นปั๊บนั่งพบเป็นปั๊บต่อมาก็เกิดสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็เรียกว่าเกิดปีติพอเกิ ด, ดปีติก็เกิดนิมิตพอเกิดนิมิตก็เกิดอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะมากมายเป็นเหตุให เ อ, อสิ่งนี้เราไม่เคยรู้เลยไม่เคยเป็นเป็ดไปได้ยังไงมันเป็นมาจากอะไรนี่ระยองมังแตกนะอาจารยาก็บอกครูบาอาจารย์สอนนี่ก็แปลกเดี๋ยวนั่งไปนั่งไปพิจานาไปนั่งไปพอนั่งปุ๊บเป็นปับ๊บคนเป็นสมาธิชอบหน้าสมาธิคนที่เป็นสมาธิไม่ชอบนั่สมาธินั่งไม่เป็นงุดหิดนั่งห้านาทีตาเลย อ, อึดอั ด, อด หลายคนอยู่นี่นั่งสมาธิไม่เป็นเลยนั่งงุดเงยงุนยิบวะล้อะไรมากหนาพอนั่งเล่นไพ่แลงกัรนเล่นแน่นนทั้งวันนั่งหลายๆลชั่วโมงไม่ปวดไม่เมื่อยพราะนั่งสมาธิมันจะตายจนได้นะพอนั่งไปนั่งไปเกิดนิมิตเกิดนิมิตก็เห็นโน้นเห็นนี่ก็นั่งไปเห็นไปดีเลยเพลินไปเลยโอ้มันเพลินไปกับสมาธิท่นี้พอไปกราวหลงปูดทั้งกะ็ะปกอย่าไปเชื่อมันนะ มันกัคุณโยมทุกคนนั่งอยู่นี้นอนถ้าเรานอนปุ๊บมันจะหลับพอหลับแล้วมันฝันความฝันจริงไหมทุกคนแน่นอนอาจจะมาว่าต้องมีพอควมฝันนี้มันมาจากไหนมาจากการหลับถ้าหลับไม่สนิทไม่ฝันพอหลับสนิทปุ๊บมันฝัน หลับเป็นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่ปวดไม่เมื่อยเฉยนอนนก็ลมเข้าพูดพูดไปพูดออกพูดเข้าอยู่นี้แต่ตัวสติก็ไม่มีอีกเกิดนิมิตขึ้นมาแต่เขาเรียกนิมิตคือความฝันฝันแล้วเป็นจริงทุกเรื่องนะมันเป็นเรื่องจริงจริงๆบางื่อดสะดุ้นขึ้นมาตื่นมาโอ้ยตัวอกตัวใจบางคนก็ดีอกดีใจจากความฝันจริงไหมล่ะจะว่าไม่จริงก็ไม่ใช่ จะว่าจริงก็ไม่ใช่จะให้คนดูจะให้ใครพวกในีใครเขาเชื่อเขาก็ไม่เชื่อหรือเชื่อก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่รู้อันนั้นแหละคือการฝันในการหลับนอนการน่งสมาธิมันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนความฝันนัสมาธิมันสงบพอสงบปุ๊บมันเกิดเห็นนางปุ๊บตัวลอยแล้วอู๋สูงไปหนึง่งแต่ก็ต้องหลับตานะถ้าไม่หลับตาไม่เห็นพอหลับตาปุ๊บเป็น ตัวลอยตัวสูงตัวใหญ่ตัวอะไรต่รอไรมันเป็นหมดวุ่นวายกันหมดอู้สนุกมันก็เพลิดเพลินกับการนั่งนั่งเป็นสัปโมงส อ, สองสัปโมงช้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยในจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าการฝึกเราต้องนั่งสมาธิปุเพนิวาสานุตติญาณจตุปัฏิญาณอาสวัคคายายที่พุทธเจ้านั่งอยู่บนต้นโพธิพุทธคยาเนะหมยามหนึ่งยามสองยามสามก็อาศัยตัวเนี้ นึกเลย ล, ล, ลึกชาติหนึ่งสองสามสี่โอ้ยมันชัดเจนนขึ้นมากขึ้นมันขึ้ น, นเห็นความเป็นจริงว่าธรรมะคืออะไรสังขารคืออะไรเห็นทุกงตัวอย่างไม่มีอะไรจะปิดบังแล้วอาชวะกยายนทาให้สิ้นสุดในวันนั้นคืนนั้นน่ะมันเพ็ญเดือนหกแต่นั้นหลวงปู่ชาท่าก็สอนแบบนี้ก็นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนงันั่งแล้วมันก็เพลินไปแต่ว่าเกียรติวัดเราเขาไม่ได้ทิ้ง แล้วก็ทําตามจิตวัตรที่ท่านสอนมันก็เฟิ่องแต่ว่าท่านก็ขั้นท่านคงจะรู้แล้วว่ารู้สิทธิ์ของท่านนั่งสมาธิแล้วมันเป็นอะไรท่านก็ไม่ให้หลงฉตนั้นท่านทั้งหลายทุกคนนั่งอย่างนี้ทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันหมดคนเหมือนกันอาวั ย, ยวะก็เหมือนกันอาการสามสิบสองก็ไม่มีอะไรแปลกมีธาตุดินธาตุน้ำอากาศวิญญาณธาตุเหมือนกันทั้นจิตกับกายเนี่ยมันอันเดียวกันแต่คนละอันเขาจะแยก ถ้าเราแยกได้นะโอ้วันนั้นนคนนั้นเน่ยจะจะได้ประโยชน์ถ้าแยกเป็นถ้าแยกไม่เป็นก็ไม่มีอะไรมันก็ความฝันกับเวลานอนหลับนอนอยู่ในบ้านเน่ะแต่จิตใจเราไปที่อื่นไปเพื่อเตือนด้านเล็งไปจะรู้ๆตื่นๆจิตไม่หลับเนี่ยทั้งขานมันนิ่งนะฉะนั้นเราจะภาวนาดกูการภาวนาคือการพิจรารณาอาตมาจะบอกว่าบุญทำแต่บุญกุศลไม่เอาทำแต่บุญไม่เคยรับบาป มันจะได้อะไรไหมบุญนี่เขาว่าดีก็ดีเถเบอยมีความปิติมีความสุขเบิกเบิก บ, บานไปพอเขาด่าโอ้ยทำบุญเอาหน้าทำบุญอนิวชราฟานโอ้ยโมโ ห, หเขาแหละนั่นแหละคนมีบุญแต่ไม่มีกุศลกุศลคือครบฉลาดคนเราต้องฉลาดเขาว่าเราดีเราดียังไงล่ะเราดีจริงเหรอถามตัวเองที ถ้าเราดีจริงเราบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางจิตใจไหมกายก็ไม่บริสุทธิ์เวรักไปขโมวยไปอะไรวาจาก็ไม่บริสุทธิ์ไปด่าไปว่าไปเหยียดหยามไปดูถูกไปหลังแกอะไรสลรพัดถ้าไม่รู้รักษากายรักษาจิตเนี่ยฉะนั้นตามรักษาจิตตามรักษาอย่างไรคนเราถ้าไม่มีกายมีจิตมันก็หมดสภาพแล้วโยมสังขันร่างกายมันจะสวยงามเพลินยืดสามสิบสี่สิบล้มออกไปพบนอนอยู่ในโรงนอนอยู่ในบ้านเออ เห็นไหมไม่มีสภาพสังขารร่างกายถึงจะสวยยังไงก็ไม่มีการต้องการถ้าไม่มีลมถ้ามีหายลมหายใจพอมีลมหายใจตนนี้แหละเป็นตัวสําคัญฉะ น, นั้นนกควาดบัณฑิต ท, ท่านสอนให้ดูจิตเป็นส่วนใหญ่ไปหาครูบาอาจารย์พวกไหนก็เมืองกันหลงผุขาวหลงผุพั้นหลงผุอ่อนหลงผุสีหลงผุตาเบลอจิตตัวนี้สําคัญมากทําไมท่านจึงเฝ้าดูนาควาดบัณฑิต ท, ท่านสอนเรื่องจิตอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับสังขาร สังขารก็สังขารร่างกายก็เนี่มันก็เหมือนกันอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปสิบไปยังไงมันสังขารร่างกายจะมีอะไรมีแต่ของปฏิกูลเท่านั้นนะพรอายุเกือบสิแปดสิบไม่มีใครอยากสนใจแล้วคแนนทิ้งหมดทั้งหญิงทั้งชายไม่ใช่ใครวิเศษวิโสแต่เต็มด้วยของปฏิกูลของนอกของเหม็นทั้งนั้นนี่แหละคือแต่ว่าให้ดูนั่งดูดูไปทุกวันทุกวันโยมโอ้มันเพลินนะโยทำมังปฏิสิโสมังปฏิสิ พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมพนุนธันตัวเห็นเราผู้ใดเห็นเราพุทธันจือว่าเห็นธรรมอยู่ที่ไหนอยู่นี่แหละตัวธรรมะไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได่อยู่ที่วัดอยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ที่เราเนี่ยเราจะทํายังไงก็ลองจียอย่างพุทธเจ้าพานั่งนั่งก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เนี่ยก็มานั่งดูรูปอย่างที่ว่านั่งปุ๊บมันเป็นของมันเอง ปฐมพระญาณทุติยาญยาณทัติเราว่ากันไปฮะท่า น, นต้องเห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างโอ้ชัดเจนแล้วหมดความสงสัยแล้วพระองค์ยืนประกาศตัวเองเป็นผู้สําเร็จแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทำอาชวะทั้งหลายทั้งปวงให้สิ้นไปฉะนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นพุทธบุริสระรู้ปุชาว่าทําบุญต้องละ บ, บาปเลยนะถ้าไม่ละ บ, บาปมันก็ไม่ได้บุญนะ ท่บุญปุ๊บทำบุญปุ๊บไม่มีต้องมีกุศลด้วยนะถ้ามีกุศลบุญก็ไม่อยู่ด้วยถ้ามีกุศลบุญจริงๆทำบุญแล้วก็ไปอวดคนนั้ น, น, น ด, ด่าคนนี้ว่าคนนี้อะไรก็ใหม่ลูบหือเป็นแม่คนเนี่ยต้องให้คุณความเป็นแม่เนี่ยมันต้องแน่นหนักหนักแน่ น, หนเห็นแผ่นดินไหมเราเหยียบเราแยม้มเราถมเราถุยเขาจะเอาของสกโปกหรือของสะอาดของเน่าของแม็นเพเทไปถุมอะไรแม่ต้องหมนนิ่งเฉย ความเป็นแม่นะ่ะหนักแน่นเหมือนแผ่นดินถ้าเราไม่มีคุณสมบัติตรงนี้มันมันพูดยากนะาโยามดัะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วแปด0มืนสี่พันมาธรรมขันคำพูดคำไหนพุทธเจ้ามาบัญญัติไว้ก่อนไม่มีเกิดมาจากเหตุปัจจัยที่ต้องบัญญัติเช่นไปดา่าเขาไปพูดกดไปพูดเถิดพูดคาหยาพูดโสดเ หรือรักขโมยเขาพูดทีเจ้าว่านี่แหละบัญญัติจากการกระทำาะฉะนั้นจิตเดชของคนมันอยู่ตรงนี้หมดเะฉะนั้นทุกคนมีจิตเดชเหมือนกันไม่แปลกมีตาก็เหมือนกันมีหูก็เหมือนกันมีอวัยวะทุกอย่างก็เหมือนกันธรรมะทั้งหลายไม่ที่อยู่ที่ไหนที่ตัวเหล่านี้พยายามดูสิแล้วไปด่าเขาเขามาด่าเราเราชอบไหม ตัวเราเราคลั่ตัวเราสามีเราปัญญาเราลูกเราพ่อแม่เร า, เร า, เราทรัพย์สมบัติเร า, เร า, เ, ราเราก็ห่วงเราก็รักเราก็ห่วงห่วงใครล่ะไม่ห่วงห่วเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาไม่ได้แปงแพร่ยุบเจ็ดสิบแปดสิบยังอาตมานี่แปดสิบแล้วไม่แก่มีเหรอมันแปดสิบก็เตรียมตัวท่านนั้นเนี่ยอย่างพุทธิย่าคนนี้พ่านแปดสิบทั้งเป็นคนที่ประเสริฐเลิศกว่ามนุษย์ทั้งปวงพระองค์ก็ยังแปดสิบสี่สิบคนนี้ครึ่งคนแล้วนะ ด็กไปสกระจกทุก ว, วันนี่เขียนชิ้วทุกวันวันหนึ่งมือกี่ครั้งกี่หวนส้สองกระจกโอโยกูนี่ยังสวยกูยิงหล่อยิยงหนุ่มยิงสาวอยู่บ้าลืมตัวเองจะตายเข้าลงไม่รู้ตัวพอทีเถอะโอ้โกูอายุสี่สิบแล้วเตรียมตัวได้แล้วลูกมัเกิดมาเห็นพ่อเห็นแม่แล้วโอ้ยไม่รู้ไม่รู้รคิดยังไงมโยมเวลาจะหมดแล้วแหมเวลาหมดไวจัง ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าธรรมะจริงๆอยู่ที่ตัวเราเราจะหาธรรมะหาที่ตัวเราคมโลภอยู่ที่ตัวเราคมโกรธอยู่ที่ตัวเราขมหลงอยู่ ท, ที่ตัวเราราคะโทสะทิฏฐิมานะจิเลตนาอยู่ที่ตัวเราหมดและเราจะทำอย่างไรสติพร้อมด้วยสัมปชัญญะรู้ตัวว่ากำลังพูดอะไรรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรกับใร กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับเจ้ากับนายกับลูกน้องหรือกับใครก็แล้วแต่ทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมียศติดตัวเขามันฉะนั้นจงให้เกียรติระหว่างกันเลยกันคุณสามีให้เกียรติคุณปัญญาคุณปัญญาให้เกียรติคุณสามีไม่ใช่เป็นสามีเราแล้วอยากด่ายังไงก็ได้อย่าอย่าว่าไงก็ว่าไม่ใช่นะสามีก็มีหัวใจเหมือนกันนะนะฉะนั้นจะคําจะทําจะพูดแต่ละคําต้องนึกก่อนว่ามันจะผิด ใจสามีไหมเขาเป็นคนรับผิดชอบดูแลเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาลูกทุกคนก็มาเกิดมาจากเราไม่ใช่เกิดมาจากแครเกิดมาจากเราเราเป็นคนทามาคืนนั่นแหละคือผลก็เลยเป็นผลของการที่มีสามีมีภรรยาเพราว่ากรรมมีลูกปุ๊บอันแหละให้รู้ไว้ทำไมใจมันผูกกันนั่นแหละมันเป็ น, ปนกรรม แนะมความรักเราเนี่รักลูกจริงๆรักคนนั้นเรไก็จริงแต่รักลูกมันรักเราไหมถามดูสิลูกไม่เคยรักหรอกเชื่อทีพอมันได้เมียปุ๊บมันก็ไปอยู่กับเมียไม่สนใจแม่มันจำไว้นะไม่ใช่ว่ากูเป็นแม่มึงให้คิดให้ดีพุทธเจ้าว่าธรรมะไม่ได้อยู่ดินฟ้าอากาศอยู่ที่ตัวเรา เราแก่ทุกวันไหมเราเจ็บทุกวันไหมเราปว่วยเราไข้ไหมโออยู่ดีก็ปวดแขนอยู่ดีก็ปวดขาอยู่ดีก็ปวดโน้ตปวดนี้ขึ้นมาโอ้เจ็บป่วยเป็นไงกูทั้งทุงเบนไหมเป็นแต่กูคนเดียวไม่ใช่เป็นแต่กูคนเดียวเป็นคนทั้งโลกมีเท่าไหร่เป็นหมดไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายให้ทุกคนจนําไว้น้อยชีวิตเรานะไม่ใช่ชีวิตของคนอื่นไม่ใช่นะถ้าเราไม่ทําให้เราใครจะมาทําให้ถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วใครจะปฏิบัติให้ถ้าเขาไม่ละไม่เลิกเขาจะเลด แจะละจะเลิกให้แล้วเราไม่อดไม่กั้นแล้วเขาจะมาทําให้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราไม่ใช่ของคนอื่นถ้าเราไม่ทำแนละ้วใครจะมาทําให้ทางนี้เท่านั้นทำมาทั้งหมดไม่ได้เราจะเอาได้เพียงแค่อาศัยอยู่พออาศัยอยู่เมื่อเกินร้อยปีก็จากไปสิ่งที่เราได้จากโลกไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวบ้านหลังนี้ที่แปลนี้เงินก็นนี้สามีลูก หรือพัญญาอะไรก็แต่ไม่มีเอาไม่ได้อาไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ดไสอนพระเจ้าไม่มีอะไรเอาฮะถ้าเธอมองโลกนี้ด้วยความเป็นของว่างได้คนนั้นแหละมันจะมีความสุขได้นัตติสันติปราสุ ข, ขังสุขอื่นยี่กับความสงบไม่มีพุทธเจ้าจึงสอนว่าความสงบจิตทําไมเขาจึงว่า จ, จะตายปุ๊บขอให้มีสติ ไม่ต้องห่วงนะพ่อไม่ต้อห่วงนะแม่ไม่ต้องห่วงน้อห น, อนห่วงนี่ให้ดูใช่ไหมห่วงแล้วแต่ห่วงทำไมก็ขอโทษทีหลวงปู่ชาวว่าถ้าห่วงลูกตายไปก็ไปเกิดเป็นลูกเขาทีนี้ก็เกิดลูกเขาเขาไม่เรียกแม่นะทีนี้ทันไม้เขาก็ไม้ทันมือเขาก็มือตบเอาเปียงเปียงโสนำหน้ามันอยากเป็นลูกคูนั่นแหะคือความเป็นธรรมะเรียกว่าสภาวธรรมเพราะคนเป็นห่วงลูก จะเกิดกับลูกไม่ได้ขอโทษทีก็เกิดกับหมากับแมวกับวัวกับควายเห็นไหมหมาบางตัวแมวบางตัวสนัดบางตัวควายบป็ตัวมันติดตามห้อยตามเพราะความเป็นห่วงจะเกิดกับสัตว์ที่เกิดเป็นนกเข้านกคู่บางเป็นนกเขาบ้างนกคู่บางกู้กู้กู้ของกู้ของกุยนี่ไงเห็นไหมคือจิตมันห่วงท่านนั้นแหละท่านจะไหวหยุดให้กําหนดจิตก็นึกถึงบุญกุศลนั่งภาวนาทุกนอนคือว่าเอ้า สังการร่างกายไม่ไหวแล้วมีมือก็เค้นไม่ได้มีขากระเคลนไม่ได้แม้แต่มีตามีปากก็ยังลืมไม่มองเห็นเลยกำหนดมีพระองค์หนึ่งลูกศิษย์ที่เด็กหนุ่มตาแล้วะจะบวชมาสิบกว่าปีแล้วแห ล, และแกป่วยแกป่วยแล้วก็นอนข้าวเอาให้ข้าวมันก็เหม็นน้ำก็น้ำก็ไม่กินใ้เมื่อมันไม่กินในเมื่อมันไ ม, ม, ม, ม่อยากอะไรเหม็นแล้วก็นอนเลยมแไม่กินนอนเฉย กำหนดลมหายใจเข้าเนื้อเจ็บบุญนื้อเจ็กุศลเนื้อเจ็บุญกุศลที่เราทำไหมเนะื้อสบาจะบายนอนลมหายใจเข้าหายออ ก, กค่อยๆดับค่อยๆดับแลแ้วแกก็ตายสิบกว่าวันตายท่า น, นี้อาตมาว่ามีองค์หนึ่งนะที่เป็นเพื่อนปฏิหัตธมิกในรุ่นรุ่นเดียวกันมีองค์อาตมาเห็นพระองค์หนึ่งวุ่นเวลาหมดเลยโยมเที่ยงถวายมโมงพอดีเราจะไปทำงาน เอาเป็นว่าเอาไว้โอกาสหน้าถ้ายังไม่ตายจะมาใหม่ถ้าตายแล้วมันจะมานะจะบอกให้เป็นว่าวันนี้อจะมาพูดมานี้ไม่รู้อะไรธรรมระผสมเยอะแยะเลยขอให้ทุกคนนะให้มั่นใจว่าตัวเองว่าเราเป็นคนเราละคนหนึ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับตัวเองได้และคนอื่นได้โดยจะประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ในสังคมที่เราทํานี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนรวมขออานาจบุญกุศลที่คนโยมทั้งหลายได้บําเพ็ญมาเรียว่าบาบรมีฐานะบารมีศีระบารมีเนกธรรมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีพัดอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี่มันจะอยู่ในตัวเราหมดถ้าเราตั้งใจทํานะมันจะมีอนิสงค์ของมัน ในตัวขอมนเท่นั้นขออานาจบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตจะไปจงเป็นพระวะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมเพิ่มบารมีในท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญปัถธามรติปาตธนาผลขดีของปัตธนานั้นจนสําเร็จประโยชน์แก่คนโยมทุกคนทุกท่านเถิดสาธุครับหลวงพ่อครับบัดดีขอการที่ อได้ฟังหลวงพ่อและดูจากประวัติแล้วตอนที่หลวงพ่อชาท่านเซหลวงพ่อโสพลท่านมาที่วัดดึงรัติวันตอนแรกพื้นที่สิบสามไร่เป็นวัดร้างเป็นวัดร้างสมัยอุทยาร้างสองเที่ยวแล้ววัดนี้เป็นอยู่ประมาณสิบสามไร่อาจะมาก็ไม่อยากมาแล้วแต่หลวงปู่ว่าคน อยู่ที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นท่านบอกไวนะ้ไงแต่แมก่อนอาจจะมาเป็นทหารท่านว่านะท่านว่าก็ว่าตามท่านไปอืมแต่นั้นคนอุทยาติต้องกลับไปเยอะผมไม่มีความรู้ผมไม่มีความตลาดอาความรู้ไม่มีอายุพรรษาก็ยังแค่สิบสามยิบสองพรรษาจะให้องค์อื่นที่มีพรรษามากก็เราความรู้มากกว่เราดีกว่าเราลหลายเท่าท่านก็ไม่เอาเพราะไม่ใช่ของท่านาไม่ใช่ของ เอาของใครของมันทั้งก็ไปไม่ต้องประเทศเหรอกไม่ยเฉยๆล้วก็มาเองเพราะของใครของมันอยู่มาจะมาก็ได้ที่ซื้อที่โ น, น, น้นซื้อนี่ตอนนี้มีประมาณ 120, ร้อยยี่สิบยี่สิบสองไรแล้วก็ก็พัฒนาปรับปรุปงจากศูนย์เพิ่มหนึ่งเพิ่มสองเพิ่มสมเพิ่มสี่เพิ่มมาเรื่อยจนท่ปัจจุบันยังเพิ่มอยู่เมื mm ่อไรตายเมื่อไรเลิกเพิ่มอ mm hmm. โอกนี้นะครับขอให้ญาติธรรมได้ขอมีโอกาสร่วมทำบุญกับหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่ากุฏิก็กำลังสร้างอยู่จี๋สงแล้วก็มีพระใหญ่จะสร้างฐานให้มีรูปเหมือนพระม่ครูบาอาจารย์นะครับอยู่ข้างล่างท่านใดที่จะร่วมทำบุญตรงนี้ทำนุพระบรงพระพุทธศาสนา นะครับก็รวมตำบุญกับหลวงพ่ อ, อในกาดนี้ได้รเรื่องนี้อาตมาไม่ค่อยได้สนใจหรอกคือไม่ได้ต้องไม่ไม่ชอบไม่รู้เป็นไงหลวงปู่ท่านบอกไม่ต้องไปเลียนไหลหรอกคำว่าใครอยากทกําก็ทําบอกกันจะทําทแบบเนี้ยก็เลยเราก็เฉยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ได้ยังไงก็ได้ทํำท่าที่ทําได้ตายแล้วก็แลว้วไปมันมันมันจิตมันไปอย่างนั้นนะมันไม่ได้คิดอะไรมากมายมคือเราท่อที่เราจะอยู่ได้ทําได้ สะนัทุกคนให้มั่นใจบุญตัวเองนะทุกคนมีบุญแล้วนะนั่งอยู่นี่ไม่ใช่ไม่มีบุญนะแต่ไม่มีบุญเกิดเป็นคนไม่ได้หรอกจริงๆเออเรามีบุญเราเพิ่มบุญตัวเองเอถอะฮะฉะนั้นเราเร า, เรามีบุญอยู่เราทําไปเถอะน้อยมากไม่เป็นไรทําไปเถอะเพราะว่าเราอย่างนั้นก็มีความเมตตาทําต่อลูกต่อหลานต่ออะไรต่ อ, อะไรเยอะแยะมันมีความสุขฉะนั้นชีวิตของคนเรามันมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้หรอก Thank <laughs> you.